พวกเราชาวพุทธเรามาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลกันเพราะนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเหล่านี้แล้วว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจนำความสุขความเจริญ มาให้แก่จิตใจพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการทําทําบุญการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาพอได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ก็เอาวิธีที่ท่านได้หลุดพ้นนี้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กันต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไปเราจะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ สิ่งเหล่านี้เราสามารถกำจัดมันได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกได้กำจัดมาแล้วถ้าเราใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกใช้กำจัดความทุกข์ต่างๆเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ดังนั้นขอให้เราเชื่อ เชื่อในพระธรรมคำสอนตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราก็เลยต้องเชื่อพระธรรมคำสอนเพราะพระธรรมคำสอนนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดา ไม่ได้อยู่ปาฏิจารพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนถ้าเธอปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าเธอได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติเหมือนการทุกประการดังนั้นขอให้เราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้นําออกไปปฏิบัติ พอเราปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะต้องเกิดขึ้นทําบุญแล้วใจจะมีความสุขรักษาศีลแล้วใจจะไม่ใจจะไม่ทุกข์นั่งสมาธิได้แล้วใจยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นใช้ปัญญาได้แล้วใจยิ่งไม่มีความทุกข์เลยนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต่อไปจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสร่งก็จะมาสอนเหมือนกันสอนให้ทาบุญละบาปสอนให้ชำระใจให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกก็คือกิเลตตันหาที่เป็นเหมือนกองเหมือนเศษขยะที่อยู่ในบ้านของเรา ถ้าเราไม่กำจัดพวกขยะที่มีอยู่ในบ้านบ้านเราก็ไม่น่าอยู่ลกอนงลังเต็มไปด้วยขยะเราจึงต้องคอยกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านกันคอยเอาขยะออกไปทิ้งนอกบ้านกันบ้านเราถึงจะพออยู่ได้ใจเราก็เหมือนบ้านแต่พวกเราไม่ค่อยเอาขยะไปทิ้งกันชอบสะสมขยะกันมาก S 1> <S 1> อยะเลยลน้นบ้านน้นน้นใจแล้วก็มาสร้างความทุกข์ใจความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้ด่าเราว่าเราคนนั้นคนนี้โกรธเราเกลียดเราคนนั้นคนนี้ไม่ดีกับเราความทุกข์ไม่ได้เกิดจาก คนเหล่านี้ความทุกข์เกิดจากกิเลสของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาไม่ว่าเราพอเขาว่าเราเราก็โกรธเสียใจแต่ถ้าเราอยากให้เขาว่าเราเราจะดีใจเพราะเราจะได้ดังใจอยากใ ช, ใช่ไหมเวลาอยากได้ขนมพอได้กินขนมนดีใจไใอร่อย ฉะนหัดอยากในสิ่งที่เราไม่ชอบดูวยแล้วเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะไม่เสียใจเวลาเราได้สิ่งที่เราไม่ชอบอยากให้เขาด่าแล้ววันนี้ยังไม่ด่าเลยพอเขาด่าแล้วจะรู้สึกสบายใจอ้อวันนี้อได้รับคําด่าแล้วเหมือนกับเวลาเราอยากให้เขาชมนี่เวลาเขาชมนี่อ๋ดีใจยิ้มปั้นเลยเอ ทำไมคำชมเรายิ้มได้ทำไมคำด่ายิ้มไม่ได้มันก็เสียงเหมือนกันไม่ใช่นะมันก็เสียงลมพัดดีๆนี่เสียงลมพัดมาเข้าหูพอชมนี่ยิ้มแป้นเลยพอดา่านี่น้างหงิดนั่งงอเลยทำไมถึงเป็นเนี้ยเพราะกิเลส ข, ของเราไปชอบคำชมไปเกลียดคำดา่า พอเจจะสิ่งที่เราเกลียดก็เลยทุกข์กันพอเจอสิ่งที่เราชอบก็เลยสุขกันะอยันเราต้องมาหัดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเหมือนกันเเสียงมันก็เสียงเหมือนกันเสียงด่าก็เสียงชมมันก็เป็นเสียงเหมือนกันมันก็เข้ามาในหูเหมือนกันหูก็ไม่ได้โศกปลุกจากเสียงชมหรือเสียงด่าหูมันก็รับเสียงได้เหมือนกันะ ทำไมใจกลับไปเดือดร้อนเสียงชมมันก็เป็นเสียงเสียงด่ามันก็เป็นเสียงหูมันก็รับได้หูมันไม่เดือดร้อนเลยหูมันไม่ปัดทิ้งเลยใช่ไหมเวลาได้ยินเสียงไม่ดีมันไม่มันปัดทิ้งว่ะมันไม่ปัดเนยมันรับได้เท่ากันเสียงชมมันก็รับได้เสียงด่ามันก็รับได้ใจเราก็ต้องหัดมาทำให้เหมือนกับหู ถ้าหูมันรับได้เราก็ต้องรับได้สิทำไมเราเก่งกับหูทาไมกลับสู้หูไม่ได้หูรับเสียงอะไรมันไม่เห็นบนเลยเรากลับไปบนสแสดงว่าเราโง่กับหูหูมันสักแต่ว่าได้ยินมันรั บ, บ ห, หมดไมเหมือนเครื่องไมโครโฟนอันนี้พูดอะไรเข้าไปมันก็รับหมดเลยไม่เห็นมันจะปฏิเสธว่าเอาแต่เสียงนี้นะเสียงนั้นไม่เอานะ เอาแต่เสียงดีดีเสียงไม่ดีไม่เอานี่แหละสิ่งที่มันไม่มีไม่มีความรู้ความอะไรมันกลับดีกว่าดีกับพวกเราที่รู้รู้มากรู้มากแล้วเลยทุกมากรู้ว่าเสียงนี้ดีรู้ว่านีเสียงนี้ไม่ดีสู้อยากไปรู้มันไม่ดีกว่า หูมันไม่รู้ว่าเสียงดีแล้วไม่ดีมันก็รับได้สบายเลยเสียงด่ามันก็รับได้เสียงชมมันก็รับได้แต่ใจนี่มันรู้มากรู้มากเกินไปรู้ว่าเสียงชมดีเสียงด่าไม่ดีก็เลยไปเดือดร้อนเวลาเสียงด่าเข้ามางั้นเราต้องกลับไปที่เดิมดีกว่ากลับไปที่หูดีกว่าทำทำใจเราให้เหมือนหูดีกว่า สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยหูนี่มันสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยมันไม่รู้ว่าเสียงดีแล้วเสียงชั่วเสียงด่าแล้วเสียงชมมันรู้เพียงแต่ว่าเสียงมันก็รับเสียงเข้าไปใจเราก็หัดแต่รับรู้เสียงรับรู้ว่านี่เป็นเสียงมาแล้วนะเสียงชมมาแล้วนะเสียงด่ามันก็เหมือนกันเสียงชมเสียงด่ามันต่างกันตรงไหน มันก็ออกจากปากอันเดียวกันเป็นเสียงเหมือนกันใจเราโง่คิดว่าฉลาดต้องมาทำใจให้ฉลาดด้วยด้วยทำใจให้โง่ตอนนี้ตอนนี้ใจฉลาดมันก็เลยโง่ต้องหันมาทำให้มันโง่มันจะได้ฉลาดโง่ก็คือไม่รู้ไม่ชี้ ไม่รู้ว่าเสียงด่าและเสียงชมรู้ว่าเป็นแค่เสียงก็พออย่าไปอย่าไปฟังว่าเขาด่าแล้วเขาชมให้ฟังว่าเขาเขาเขากาลังมีเสียงส่งมาให้เราเท่านั้นเองเป็นเสียงเท่านั้นเองเสียงอะไรมันก็แค่เสียงมันจะมาทิ่มแทงใจเราได้อย่างไรตัวที่ทิ่มแทงใจเราไม่ใช่เสียงที่เขาดา่าหรอกกิเลสของเราเนะี่ยแหละมันทิ่มแทงใจเราเอง ความไม่อยากให้เขาด่าเนี่ยมันก็เลยทิ่มแทงใจเราเราต้องกําจัดตัวนี้ตัวความความอยากให้เขาชมอยากให้เขาไม่ด่าเราให้เฉยๆเสียถ้าตัดความอยากไม่ให้เขาด่าอยากให้เขาชมได้เวลาเขาพูดอะไรก็จะเป็นเหมือนกับหูหูก็ฟังได้ ใจก็รับรู้ได้ครูบาอาจารย์ท่านัึงสอนว่ามีหูไว้ฟังมีจังมีใจไว้รู้เอให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่ามันดีแล้วไม่ดีอย่าไปคิดว่ามันเป็นเสียงชมแล้วเสียงด่าบางทีไม่ด่าเพียงแต่พูดชื่อพ่อมันชื่อแม่มันก็เดือดร้อนนะเขาไม่ได้ด่าเราเท่าไหร่เขาเรียกชื่อพ่อเราไม่ไดนะ้พ่อเร า, เรา พ่อเราก็มีชื่อทําไมก็เรียกชื่อพ่อไม่ได้อย่างวันก่อนเด็กถามปัญหาว่าไปโรงเรียนพเพื่อนชอบเรียกชื่อพ่อชื่อแม่ทำให้โกรธทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนในขณะเด็กก็ยังมีอารมณ์เลยใครเรียกชื่อพ่อชื่อแม่หน่อยก็โกรธแล้วดัง น, นัต้องมาหัด ฝึกใจให้รับเสียงให้รับเสียงแบบเฉยๆอย่าไปมีความอยากให้เขาไม่พูดถึงชื่อพ่อเราไม่พูดถึงชื่อแม่เราเลาวเขาพูดชื่อพ่อเราแม่เราแค่นี้เราก็โกรธนะเพราะเราไม่อยากให้เขาเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เรา นี่เราต้องถามเพราะว่าแล้วเราไปสั่งเขาได้หเปล่าไปห้ามเขาได้หรือเปล่าว่าต่อไปนี้อย่ามาเรียกชื่อพ่อเราเนอะอย่ามาเรียกชื่อแม่เราเนอะก็สั่งไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วทําไมเวลาเสียงลมพัดเราปล่อยให้มันพัดได้เวลาลมมามีเสียงลมพัดเนี่ยเราทําไมไม่เดือดร้อน เพราะเรารู้ว่าห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหยุดพัดเขาก็ไม่หยุดเวลาเขาไม่พัดสั่งให้เขาพัดเขาก็ไม่พัดนี่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเสียงว่าหนึ่งมันไม่มีความหมายอะไรมันไม่ว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นเสียงดีและเสียงไม่ดีมันก็เป็นแค่เสียงจะดีไม่ดีอยู่ที่มันดังหรือไม่ดังต่างหาก ถ้ามันดังนี่แหละมันทำให้แก้วหูแตกได้อันนี้เสียงนี้ไม่ดีเสียงมันดังแต่ถ้ากลับเป็นเสียงชอบนี่ดังขนาดแก้วหูแตกก็ฟังได้เวลาใครชมนี่ตะคอกใส่กอดเข้าหูดังลั่นก็ฟังได้แต่ถ้าเสียงค่อยเสียงเบาแต่เป็นเสียงด่านี่ฟังไม่ได้นิดนเดียวเสียงมันไม่ได้อยู่ที่เสียง อยู่ที่ใจที่โง่ที่ไปแยกเสียงเอาว่าเสียงนี้ดีเสียงนี้ไม่ดีแล้วก็จะเอาแต่เสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีก็ไม่เอาพอได้เสียงที่ไม่ดีก็โกรธ<ม>เสียใจทุกขึ้นมามนี่คือเรื่องของความโง่ของใจของพวกเราที่ไป เลือกที่รักมักที่ชังอยู่ดีๆไปเลือกที่รักมักที่ชังทำไมมันก็เสียงนันเดียวกันนี่แหละเลือกว่าเสียงนี้ดีเรือกว่าเสียงนี้ไม่ดีเลือกที่จะรักเสียงนี้เลือกที่จะชังเสียงนั้นน้องก็เดือดร้อนไปกับการเลือกของตัวเองนี่แหละเสียงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเสียงดีเสียงชอบเสียงไม่ชอบมันก็เสียงเหมือนกันหูไม่เห็นเดือดร้อนเลย เสียงชอบหูมันก็ไม่ได้ดีใจเสียงไม่ชอบหูมันก็ไม่เห็นเสียใจมันก็รับเสียงได้เท่าๆกันใจนี่แหละ บ, บ้าไม่เช่ไหใจแล่นนี่ก็โ ง, ง่คนที่ยังมีเลือกที่รักมักที่ช่างเรียกว่าคนโง่ไม่คนฉลาดโง่เพราะอะไรเพราะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง เหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะเนี่ยคนฉลาดเขาจะเอาค้อนมาทุบศีรษะตัวเองเยใจเราเนี่เอาค้อนมาทุบใจตัวที่ทุบใจก็เกิดตัวตัวที่เลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยอย่าไปเลือกเพราะเลือกไม่ได้สิ่งต่างๆในชีวิตเรานี่เราเลือกไม่ได้ปล่อยให้มันมาเถอะมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าไม่ไปเลือกที่รักมั่งที่ชังใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์เราชอบเลือกเกิดกันชอบเกิดแต่ชังความแก่ชังความเจ็บชังความตายถ้าจะชังก็ต้องชังมันทั้งหมดเลยชังการเกิดถ้าชังความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องชังความเกิด ถ้าชอบก็ต้องชอบมันหมดเลยชอบเกิดก็ต้องชอบแก่ชอบเจ็บชอบตายเพราะมันมาด้วยกันจะไปเลือกมันแบ่งออกไปได้ยังไงมันแบ่งไม่ได้เหมือนไอโฟนเนี้ยชอบเครื่องเล่นเสียงแต่ไม่ชอบกล้องถ่ายภาพก็ไม่ยากมันออกได้บป่ะมันก็มาด้วยกันนะงั้นเราต้องมาปรับใจใหม่ ปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ใจเราที่ไปเลือกที่รักนักที่ชังนี่ต้องมาหัดแก้วิธีแก้ก็หัดชังในสิ่งที่เรารักสิหัดรักในสิ่งที่เราชังแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีปัญหาเจอสิ่งที่เราชังเรากลับรักเจอสิ่งที่เรารักเรากลับชัง เราสิ่งที่เรารักจากเราไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเราชังมันแล้วเวลาสิ่งที่เราชังนี่มันจากเราไปเราเสียใจไหมเราดีใจไหมมันชังสิ่งที่เรารักเวลาเขาจากไปเราจะได้ไม่ไม่เสียใจแล้วก็มาหัดรักในสิ่งที่เราชังเวลาเจอสิ่งที่เราชังเราก็จะดีใจพอเจอความแก่เราก็จะดีใจ เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะดีใจเจอความตายเราก็จะดีใจเนี่ยเราปรับได้ใจเราปรับได้คนไม่เคยกินพริกเนี่ยเวลากินพริกใหม่ๆเผ็ดไหมแต่พอ <c oughs> หัดกินไปเรื่อยๆกินต่อไปกลับชอบพริกกันแล้วถ้าไม่มีพริกแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไร <c oughs> ไม่อร่อยนะทําไมลิ้นมันก็ลิ้นอันเดียวกันเนี่ยทำไมมันเอ ตอนต้นทำไมรับคลิกไม่ได้เลยแล้วพอกินไปกินไปปาอไปกินทีละสิบเม็ดก็กินได้เพราะใจมันปรับไงใจมันปรับจากการชังไปเป็นการรักเหมืนอนตอนต้นเราเจออะไรของที่เราไม่เคยกินเราก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าใจมันเริ่มชังแนละแต่ถ้าถูกบังคับให้กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆอย่างตอนเป็นเด็กๆนี่เลือกอาหารได้ไม่ได้นะ แม่ป้อนอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นนะกินไปเรื่อยๆต่อไปก็ติดเอ ง, องนะพอโตขึ้นมาก็อยากจะกินของที่แม่ทำให้กินอย่างนี้นอันนี้แหละมันอยู่ที่การปรับใจเราปรับใจเราให้ให้มันรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเราต้องมากับบทบาทของใจเราตอนนี้รักอะไรต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นช้งอันนี้ช้งอะไรต้องเปลี่ยนกันรักอันนี้รักเงินรักทองก็ไปช้งมันสิรักยศรักตาแหน่งก็สละตาแหน่งไปพระพุทธเจ้าเนี่ท่านก็ททำแบบนี้พระพุทธเจ้าสละราชาสมบัติเห็นสละเงินเงินทองไปสละตาแหน่งไปเป็นพระราชกูุมาน จะได้เป็นกษัตริย์ก็สละมันไปชังมันเกียดมันลูกเมียก็เกียดลูกเมียทิ้งลูกเมียเลยนะแล้วก็ไปอยู่คนเดียวเอทีนี้สบายแล้วพออยู่คนเดียวถ้าลูกเมียตายไปก็ไม่เดือดร้อนอาใครเป็นอะไรสมบัติน่าจะสมบัติถูกถูกเขายึดไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจไม่ทุกข์กับมันแล้ว แล้วท่านก็มาหันชังร่างกายของท่านเกียร่างกายของท่านอยากให้มันแก่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันตายเห็นไหมอดอาหารจนกระทั่งร่างกายนี้เป็นแค่หนังหุ้มกระดูกดูเหมือนคนแกะนะ่ไหมทรมาไม่หิวข้าวไม่มอดข้าวั้งสี่สิบเก้าวันเนี่ยพอท่านชังของเหล่านี้น้ต่อไปท่านเจอมันท่านก็ไม่กลัวมันแล้ว ไม่เกี่ยงมันละไม่ทุกข์กับมันนะพวกเราต้องมาปรับตอนนี้มาซ้มเอาทีละนิดทดียหน่อยก่อนเอเนี่ยวันนี้เอาเงินมาทิ้งให้พระเนี่ยชังเงินก้อนนี้่ะไม่เอาไม่ต้องการเงินก้อนนี้ยกให้พระไปยกให้พระไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่ต่อไปเวลาเงินหายจะไม่ทุกข์ใจ คนที่ไม่เคยทำบุญนี่เวลาเงินหายสค่ห้าบาทสิบาทเนี่โยโหยเป็นเดือดเป็นแค้นกินไม่ได้นอนไม่หลับใครเอาเงินของคูไปวะ <c oughs> แต่คนที่เคยทำบุญอยู่เรื่อยๆหายไปห้าบาทสิบาทก็รู้สึกว่าออน้อยกว่าเงินที่กรูทำบุญเสียทำบุญนี่บนสบายใจมีความสุขพอถูกเงินขโมกถูกเงินเขาขโมยไปก็มีความสุขเหมือนกันใครยืมเงินไปไม่คืนมาก็มีความสุข เขคิดว so so right? ่าเป็นเงินทาบุญไปก็แล้วกันจะได้มีความสุขก็อย่างแสดงว่ายังทําบุญไม่ถึงขีดนั้นน้องๆทําถึงขีดนั้นด้วยใครยืมเงินไปตีตังแล้วไม่คืนก็ทําบุญไปเอาเอาเงินที่มีอยู่นี่มาทําบุญใหม่ทําบุญเท่ากับเงินที่เขายืมไปถ้าทําได้แล้วต่อไปออจะไม่คิดถึงเงินที่เขา ยืมไปจะนอนหลับสบายเราต้องหัดเกียรเงินเกียดทองเกียดติตําแหน่งเกียดความสวยงามเนี่ยไปแต่งหน้าทาปากไปทําทผ้าทําผต่อไปเวลามันแก่มันจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าไปรักความสวยความงามรักความหนุ่มความหล่อล้วความหนุ่ ม, ค ว, ม, มความสาว เดี๋ยวพอมันจากเราไปนี่จะเสียใจหัดรักในสิ่งที่เราชังหัดชังในสิ่งที่เรารักแล้วต่อไปใจของเราจะสบายถ้าทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มีวิธีง่ายๆคือทาใจให้เฉยๆเสียอย่าไปรักอย่าไปชังถ้าไปรักในสิ่งที่เราชังไม่ได้ไปชังในสิ่งที่เรารักไม่ได้ ก็ให้ทำใจเฉยๆให้เสียวิธีทำใจเฉยๆก็ให้นั่งสมาธินั่งสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธไปเราต่อไปใจนิ่งใจสงบใจจะเฉยได้ยินเสียงด่าก็เฉยได้ยินเสียงชมก็เฉยะเวลาไม่มีเสียงชมก็ไม่เดือดร้อนเวลามีเสียงด่าก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจเฉยได้นี่ก็วิธีหนึ่ง วิธีที่จะทําให้ใจของเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับเสียงทุกชนิดได้ถ้าเราจําใจเฉยได้ถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆใจเราจะเฉยมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราจะเฉยตลอดเวลาได้ยินเสียงชมก็เฉยได้ยินเสียงด่าก็เฉยมันก็แค่เสียงใช่ไหมทำไมไป ดีใจกับเสียงชมทําไมไปเสียใจกับเสียงด่าเมื่อมันเป็นเสียงอันเดียวกันอันเครื่องอัดเสียงไม่เห็นมันดีใจเสียใจเลยเวลาด่ามันมันก็อัดไปเรื่อยๆเวลาชมมันมันก็อัดไปเรื่อยๆกล้องถ่ายก็เหมือนกันเวลายิ้มให้มันมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆเวลาแยกเขี้ยวใส่มันมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆไม่เห็นมันจะไปดีใจเสียใจน เราต้องหัดมาทำใจเราให้เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเฉยนะเวลาเห็นอะไรมันก็เฉยเวลาได้ยินอะไรมันก็เฉยแต่ใจเราไม่เฉยตา ม, มเราต้องหัดมาเฉยวิธีจะ ท, ทำใจให้เฉยก็ต้องมีสติต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้มันไปคิดว่าเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีถ้าเราห้ามความคิดนี้ได้ ว่าเสียงดีหรือไม่ดีลูปดีหรือไม่ดีเกลิ่นดีหรือไม่ดีมันก็ดมได้หมดะกลิ่นหอมกลิ่นไม่กลิ่นเหม็นมันก็หอมได้มันก็ดมได้หมดมันก็กลิ่นเหมือนกันถ้าจมูกดมได้ใจทําไมจะรับรู้ไม่ได้คนนุ๊กตัวที่ดมก็ไม่ใช่ใจแ น, น่อยตัวที่ดมก็คือจมูกจมูกมันดมกลิ่นเหม็นได้แต่ใจกับรับรู้กลิ่นเหม็นไม่ได้ เพราะใจมันไม่เฉยใจมันชังมันเกียรกลิ่นเหม็นพอได้กลิ่นเหม็นแป๊บนี้จมูกมันไม่เดือดร้อนเลยจมูกมันดมได้เฉยเลยแต่ใจนี่จะเป็นบ้าเพราะว่าใจเฉยไม่เป็นเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเขาเพราะว่าเฉยไม่เป็นพอได้ยินเสียงด่าก็ไปเลย เวลาได้ดมกลิ่นเหม็นก็ไปเลยเวลาแห็งรูปที่ไม่ชอบก็ไปเลยเป็นบ้าไปเลยฉะนั้นหัดมาทำใจให้เฉยแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีความสุขตลอดเวลามีเงินหรือไม่มีเงินก็เฉยมีตำแหน่งหรือไม่มีตาแหน่งก็เฉยได้เลื่อนขั้นหรือไม่ได้เลื่อนขั้นก็เฉย มีคนสรรเสริญหรือด่าก็เฉยมีอะไรดูหรือไม่มีอะไรดูก็เฉยมีอะไรฟังหรือไม่มีอะไรฟังก็เฉยร่างกายจะแก่ก็เฉยร่างกายจะเจ็บก็เฉยร่างกายจะตายก็เฉยถ้าทําใจให้เฉยได้แล้วมันจะเฉยกับทุกอย่างถ้าเฉยได้แล้วสบายนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทํามาแล้ว ทำใจให้เฉยได้วิธียาเฉยกับเงินทองก็มีเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยพอยกให้เขาไปแล้วที่ก็เฉยแล้วสิเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วใช่หไหมเราไม่เกี่ยวแล้วถ้ามีแล้วมันไม่เฉยมีแล้วเดี๋ยวมันต้องทําอย่างนู้นทําอย่างนี้แล้วอทุกข์เพราะเงินทองไม่ใช่สุขเพราะเงินทอง มีเงินทองแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเงินทองเพราะเฉยกับมันไม่ได้มีวิจะไปทาจะไปเก็บไว้ที่ไหนดีถึงจะปลอดภัยจะไปเก็บไว้ที่ไหนดีมันถึงจะงอกเยอะๆคิดไป ต, ต่างนาน า, นาจน ก, กระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเงินทองแทนที่จะมีความสุขกับเงินทองกับมาทุกข์กับเงินทองพอไม่มีเงินทองแล้วสบาย มา บ, บวชพระดูเสร็จไม่ต้องใช้เงินทองสบายข้าวก็มีข้าวกฟรีบ้านกฟรีน้ําไฟก็ฟรีเสื้อผ้าก็ฟรีฟรีทุกอย่างไม่ต้องใช้เงินทองเป็นพระแล้วไม่ต้องใช้เงินทองไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศไม่มีใครชันละเสริมไม่ได้ถูกดา่า ถูกอาจารย์คอยด่าอยู่เลยถูกอาจารย์คอยว่าคอยว่ากล่าวตักเตือนอยู่เลยคอยสั่งคอยสอนอยู่เลยเนี่ยคนที่มาบวชนี่เขามาหัดทำใจให้เฉยพอเฉยได้แล้วจะสบายเนี่ยยังขั้นต้นต้องสละเข้าของเงินทองก่อนหัดสละเข้าของเงินทองก่อน ให้มีไว้สาหรับพออยู่ได้ก็พออย่ามีมากเกินไปมีแล้วก็จะวุ่นวายตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่กล้าใช้กลัวหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้อนนาหมาแทบเป็นแทบตายตายไปก็ให้คนอื่นไปหมดเหไหมแ ม, แ ม, แม่เราทิ้งให้เราเท่าไหร่แม่เราไม่เคยใช้เลย หาอย่างเดียวใช้แต่เฉพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเองส่วนที่เหลือนี้ไม่เอาไปใช้ไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยตายไปก็กลายเป็นของลูกไปหมดลูกสบายเดี๋ยวลูกต้องทำตามแม่อีกเหมือนกันไม่กล้าใช้อีกเหมือนกันกลัวหมดอีกเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวตายไปก็เป็นของลูกต่อไปมีเงินทำไมมีแล้วไม่ได้ใช้ก็เหมือนกับไม่มีอยู่ดีเพากลัวหมดเวลาหมดก็เสียใจเวลาหมดก็ทุกข์ใจทำไมเราไม่มาหัดมาให้มันหมดแบบไม่ทุกข์ใจหมดแบบพระพุทธเจ้านี่ไม่ทุกข์ใจนะ พรทธเจ้าเห็นเสียดายสมบัติที่ท่านสละเลยตอนท่านออกบวชท่านไม่เห็นบวนเลยว่าแมเสียดายอยากจะกลับไปหาสมบัติเพราะท่านเห็นว่ามีแล้วมันทุกข์ไม่ใช่มีแล้วมันสุขมีแล้วมันกนังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กับเรื่องของเงินทองนี่แหละเดี๋ยวดอกเบี้ยตกท่านหน่อยก็โอ้ทุกขขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวหุ้นตกก็ทุกขึ้นมาล่ะเดี๋ยวเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นมาก็ทุกข์แล้วสิเอาเงินทอง ไ, ไปไว้ที่ไหนดีเดี๋ยวเกิดธนาคารเจ๊นก็ทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะเราไปชอบเงินทองมันเลยรต้องทุกข์กับมัน ถ้าเราไม่ชอบเงินทองเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีเงินทองเพราะของอะไรที่เราไม่ชอบเรามักจะทิ้งไปใช่ไหมขยะนี่เราเก็บไว้หรือเปล่าขยะเราทิ้งไปขยะหายเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อน<ม>เพราะเราไม่ชอบมันยิ่งอยากให้มันหายเลยท้ไปเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านก็ไม่มาเก็บก็เดือดร้อนนะ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาแก้ปัญหาที่ตัวของเราที่ใจของเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยมีพอมีพอหรือไม่พอเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือใจที่ไปชอบไปชังในสิ่งต่างๆ ที่เฉยไม่เป็นเฉยไม่ได้เฉยแล้วสบายไหมตอนนี้นั่งเฉยเฉยสบายไหมพอใครด่าขึ้นมาหน่อยนี่เฉยไม่ได้เดี๋ยวข้างบนนี้กลายเป็นเวทีมวยถ้าเกิดยอมสองคนนั่งทะเลาะ ก, กันเถียงกันดีไม่ดีเดี๋ยวแลบนชาลานี้ก็กลายเป็นเวทีมวยขึ้นมาเฉยไม่ได้พอก็ด่าเราเราก็ด่าเขา เขาก็โกรธเราก็โกรธเขาก็มาตีเราเราก็ไปตีเขาเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายเพราะเฉยไม่เป็นแทนมาหัดเฉยกันมานั่งสมาธิกันมาฝึกสติกันจะเฉยได้ต้องมีสติสติเป็นตัวหยุดความคิดถ้ามีสติแล้วจะหยุดความคิด ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความไอ่หยุดความรักความชังได้ที่รักที่ชังก็เพราะไปคิดว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รักถ้าไม่ดีก็ชังถ้าไม่คิดมันก็จะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเนี้นหัดหัดมาหยุดความคิดกันหัดมาฝึกสติกันหัดมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธกัน ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆท่องไปทั้งวันเลยเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานกับการกระทําอะไรอย่าไปนั่งคิดถึงลูกถึงหลานถึงสามีถึงภรรยาถึงทรัพย์สมบัติเข้าวของเองินทองอคิดไปให้ปวดหัวเปล่าๆคิดไปให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆสู้มาคิดพุโทโธพุธโทโธดีกว่า คิดพุโทโธแล้วใจจะว่างใจจะเย็นใจจะเบาใจจะสุขล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะนิ่งจะรวมเป็นหนึ่งใจก็ยิ่งจะมีความสุขใหญ่ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จ ะ, ะจะสู้ได้ไม่มีความสุขอะไรที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความนิ่งสงบของใจ ถ้าได้ความสุขจากความนิ่งนี้แล้วใจจะไม่อยากได้อะไรต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่อยากได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้พบความสงบแล้วไม่เคยคิดอยากจะกลับไปอยู่ในวังอีกเลยเพราะมันความสุขคนละระดับกันเหมือนฟ้ากับดิน นี่แหะคือสิ่งที่เราควรที่จะขวาคว้ากันหากันยินดีกันยินดีในรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงยินดีในความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แลาวหาความสุขที่ได้จากความสงบนี้หาง่ายกว่าซะอีกทุกคนหาได้หมดเนี่ยสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่มาจากทุกฐานะเป็นเศรษฐีก็มีเป็น เ, เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นขอทานก็มี ก็สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ทุกคนแต่คนที่จะเป็นพร ะ, พระเจ้าแผ่นดินนี้เป็นได้คนเดียวนนคนที่จะเป็นประธานาธิบดีนี้เป็นได้คนเดียวคนที่จะเป็นนายกนี้เป็นได้คนเดียวแล้วเป็นก็แล้วได้เป็นแล้วก็ไม่สุขเหมือนกับการไดมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นได้ทุกคนเหมือนกับ ทางมุตตลี่ของพระพุทธศาสนานี้ได้รงานวนรงวัลที่หนึ่งทุกคนไม่มีจํากัดจํานวนรางวัลที่หนึ่งไม่เหมือนกับสลากกินแบ่งนี่มีรางวัลเดียวคนแทงเป็นแสนเป็นล้านถูกคนเดียวแต่คนที่มาแทางสมาแทางสลากกินแบ่งของพระพุทธเจ้านี้ถูกทุกคนได้รางวัลที่หนึ่งทุกคนทําไมไม่มาเล่นสลากกินแบ่งของพระพุทธเจ้าโอกาสที่มันจะถูกนี่ มันเยอะกว่าโอกาสที่จะไปถูกรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งของรัฐบาลนแล้วก็รางวัลก็สู้กันไม่ได้รางวัลได้มาหกล้านสิบล้านสิบสองล้านก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เอความสุขที่ได้จากรางวัลดีไม่ดีอาจจะทุกข์ซะอีกเพราะจะต้องไปหลบซ่อนแล้วสิเดี๋ยวกลัวคนจะมาป้นมาจี้แล้ะกลัวคนจะมาขอยืมเงินและ ก็คนจะมาขอความช่วยเหลือคนที่ไม่เคยรู้จักมักคุณไม่เคยพบกันเป็นปีๆไม่รู้อยู่ยดีๆก็โผล่หน้ากันมาเต้นไม่หมดมาก็จะมาเอาเงินถ้าไม่ให้เขาเขาก็โกรธเราเกลี ย, เลยดเราอีกด่าถูกก็ดา่าอยู่ดีๆก็ถูกก็ดา่าพอเป็นเศรษฐีแล้วถูกดา่าเวลาเป็นยาจกนี่ไม่มีใครมาดา่า นีนะ่ความทุกข์ทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขทางโลกกลายเป็นความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วแทนที่มีความสุขใจไม่สบายแล้วใจกังวลแล้วจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะไปหลบซ่อนที่ไหนดีจะให้ใครดีไม่ให้ใครดีไอ้คนนี้เดี๋ยวคนนี้ไม่ได้มันก็ดา่าเราอีกเนี้ แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาขอส่วนแบ่งเราสุขของเรายิ้มแป้นอยู่ในใจคนเดียวสบายเพราะเขาไม่มีเพราะเขามองไม่เห็นว่าเรามีอะไรแล้วเขาก็ขอไปไม่ได้ถ้าเขาอยากจะได้เขาก็ต้องมาพุโทโธพุโทโธของเขาเองมานั่งสมาธิเอง<ม>เรามีของดีๆอยู่ในตัวเรา เรากลับไม่ร cool sì ู้เรากลับไปหาของไม่ดีเพราะไปคิดว่ามันดีคิดว่าเงินทองดีพอได้เงินทองมาแล้วก็มาทุกข์กับเงินทองพอได้ตำแหน่งมาแล้วก็ทุกข์กับตำแหน่งได้ยศแล้วก็ทุกข์กับยศราะมันไม่พอสถิทีเป็นพลทหารพอได้เป็นนายสิบมันก็ไม่พอพอเป็นนายสิบมันก็อยากจะเป็นนายร้อยพอเป็นนายร้อยมันก็ไม่พออยากจะเป็นนายพันอีก พอเป็นในพันก็ไม่พออีกอย่างเงี้ยเป็นในหมื่นในพนในพนนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันไม่ดีเพราะมันทําให้เราไม่พอสิ่งที่ดีมันต้องทําให้เราพอถ่าเงินมันดีจริงได้มาแล้วมันต้องพอสิมันกลับไม่พอไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาสิบบาทก็ไม่พอ ได้มาร้อยบาทก็ไม่พอได้มาพันบาทก็ไม่พออะได้มาล้านพอไหมก็ไม่พออีมไม่มีวันพออ ม, มันอยากจะไปมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>เลยแทนที่มันจะให้ความสุขกับเรามันก็เลยมาให้ความทุกข์กับเราทุกข์เพราะมันสร้างความไม่พอให้กับเรา<ม>แต่ความสงบนี้มันให้ความพอกับเรา พอใจสงบแล้วมันไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากได้อะไรร่างกายนี้ก็ไม่อยากได้สุขภาพอายุยืนยาวนานก็ไม่อยากได้ความไม่แก่ก็ไม่อยากได้ความไม่เจ็บก็ไม่อยากได้ความไม่ตายก็ไม่อยากได้มันไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบนะของเรามีของดีอยู่ในตัวเราอย่าไปหาของข้างนอกเลยของดีมีอยู่ในตัวเรา ก่อนที่เราจะหาของดีในตัวเราได้เราก็ต้องหยุดหาของข้างนอกก่อนอยุดหาเงินก่อ น, นมีเงินเหลือมากเกินไปก็เอาไปทําบุญไปเก็บไว้เท่าที่จําเป็นแล้วราจะได้มีเวลามาหาของดีในใจเราในตัวเราทําอย่างพระพุทธเจ้าพอ ร, รู้ว่าของ้างนอกไม่ดีสละหมดเลยสะละราชสมบัตินสละยศสละครอบครัว สละความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายแทนที่จะสละการหลับนอนกับแฟนไปนอนคนเดียวแทนแต่กลับได้สิ่งที่ดีกว่าเราต้องสละสิ่งที่ไม่ดีไปก่อนเราถึงจะได้สิ่งใหม่ถ้าเราไม่สละเราก็ยังติดอยู่กับสิ่งเก่าเหมือนกับถ้าเราอยากจะกินกาแฟาถ้วยใหม่ถ้าเรามีกาแฟาถ้วยเก่าอยู่เราก็ต้องเททิ้งก่อน ถ้าไม่เทกาแฟเก่าทิ้งไปเราก็ไม่มีที่จะใส่กาแฟถ้วยใหม่ฉันใดใจเราก็เหมือนนั่นตอนนี้ใจเรามีความสุขแบบเก่ามีความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบใหม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องทิ้งความสุขแบบเก่าไปให้หมด สละความสุขแบบเก่าไปไม่หาลาบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเพื่อเราจะได้มาหาความสุขทางใจหาความสงบทางใจกันนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าท่านต้องสละกาแฟถ้วยเก่าไปก่อนเ <c oughs> ทกาแฟเก่าทิ้งไปห้หมดสละราชสมบัติสละครอบครัวสละสถานภาพ จากการเป็นพระราชาโอรสมาเป็นบุคคลธรรมดาชาวบ้านธรรมดาแล้วก็จะได้มีที่เอาของใหม่เข้ามาสู่ใจเอาความสุขแบบใหม่เข้าสู่ใจเอาความสุขที่เกิดจากความสงบมาสู่ใจนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่เป็นวิธีการที่ถูกต้อง ผลลัที่พระเจ้าได้รักคืออะไรนิบานังปรมังสุขขังความสุขความบรมสุขของพระนิพพานนิพพานคืออะไรคือใจที่สงบใจที่ไม่มีความวุ่นวายใจที่ไม่มีความทุกข์ใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆใจที่มีแต่ความพอเรียกว่านิพพาน พอมีความพอมันก็มีบารมมาสุขขึ้นมาความสุขสุดยอดนี่แหละคือผลตอบแทนเราต้องเปลี่ยนความสุขเอาความสุขแบบเก่าทิ้งไปเพื่อเราจะได้เอาความสุขแบบใหม่เข้ามาอย่างเสื้อผ้าในตู้เนี่ยมันเต็มมันน้นถ้าอยากจะซื้อชุดใหม่ก็ไม่มีที่แขวนเอาของเก่าเอาไปจากให้หมดหมดเนยจะได้ให้ตู้มันว่างจะได้ซื้อของใหม่เข้ามาได้ อยากจะซื้อกี่ชุดก็ซื้อเข้ามาได้ตอนนี้อยากจะซื้อแต่ซื้อมาแล้วไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าจะซื้อใหม่ก็ต้องซื้อตู้อีกตู้ก็ไม่มีแล้วบ้านก็ไม่มีที่เก็บถ้าจะซื้อเพิ่มก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่อีกงั้นก็เอาของเก่าไปแจกเขาไม่ดีกว่าเคลียของเก่าออกไปเราจะได้มีที่เอาของใหม่เข้ามาใจเราก็เหมือนกัน ใจเราตอนนี้เต็มด้วยราบยศสรรเสริญเต็มด้วยความสุขทางตาหูจมูกกลิ้นกายแต่มันเป็นความสุขที่คุกเข้าไปกอดความทุกข์เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจนี่เราเปลี่ยนเอาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ดีกว่าเอาราบยศสรรเสริญเอาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ทิ้งไปให้หมดเลย ทำแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่คนเดียวอยู่ในปา่าแล้วก็ไปทําใจให้สงบใจจะสงบกายต้องสงบก่อนต้องกายต้องไม่ทําอะไรก่อนไม่ทําบาปถ้าทําบาปแล้วใจไม่สงบถึงต้องรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ไม่ไม่ทําอะไรนอกจากเจริญสติด้วยการเดินจงกลมนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขพ อ, อจากสมาธิมาเพราะความอยากจะกลับไปหาความสุขแบบเก่าโผล่ขึ้นมาก็จะใช้ปัญญาบอกกลับไปหาความสุขแบบเก่าทําไมความสุขแบบใหม่มันดีกว่าเหมือนได้รถใหม่แล้วจะไปจะไปขับรถเก่าทํำไมอแต่บางทีมันยังติดยังนักกดเก่าอยู่อื ทั้งๆที่มันสู้รถใหม่ไม่ได้แต่ก็ยังหวงยังยังอยากจะกลับไปหามันอยู่นะก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่ากลับไปก็จะไปทุกข์กับมันเพราะรถเก่าวิ่งได้สองสามกิโลเดี๋ยวก็เสียกันแล้วเดี๋ยวยางก็แตกนะรถใหม่นี่วิ่งไปกี่ร้อยกิโลก็ไม่มีปัญหาอนะไรให้คิดอย่างนี้พอเวลาออกจากสมาธิมาพอไปอยากกลับไปหาราบยศสรรเสริญอยากไปหารูปเสียงกินร้อยก็บอกว่ากลับไปหาความทุกข์นะ กลับไปทาไมอยู่กับความสุขแบบใหม่ดีกับที่ไม่มีความทุกข์ต่อไปความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบเก่าก็จะไม่มีพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็หมดทุกข์หมดหมดปัญหาไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติ ได้พบสิ่งที่เลิอที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนมาบอกพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้กันเราก็จะมัวแต่ไปหาของที่ไม่ดีกันของที่ได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปเหมือนกับถูกเขาหลอกไปซื้อของที่ร้านเขาบอก ด, องงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอกลับมาที่บ้านเสียซละพอเปิดพบ พอเปิดขึ้นมาจะใช้มันใช้ไม่ได้แล้วของทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นมันดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่นานมันก็เสียแต่ของที่พระเจ้าพบนี่ไม่มีวันเสียไม่มีวันหมดความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดมีไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหาความสุข แบบเก่าอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกกับเสียงคนด่าไม่ต้องมาทุกกับการสูญเสียพัดพากจากสิ่งที่เรารักไปคนที่เรารักไปพอเกิดมามันก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ได้เกิดมามันก็ต้องหาแฟนหาคู่กันแล้วพอเขาจากเราไปก็ความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปหมดมีแต่ความทุก น้องเหลืออยู่ภายในใจแต่ถ้าไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมีแฟนเมื่อไม่มีแฟนก็จะไม่มีการพัดภาคจากกันไม่มีความทุกข์อีกต่อไปขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทาตามที่พระเจ้าให้ทะทําบุญคือสละสมบัติให้หมดแล้วก็ไปรักษาศีลอย่าไปทําบาปแล้วก็ไป กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจโดยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติอันนี้ง่ายๆไม่ไม่ใช่ของยากเย็นอะไรถ้าใครทําตามก็จะได้เนี่ยภาษาวกนี้มีเป็นจำนวนเป็นแสนเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าทําตามทีพ่พระพุทธเจ้าสอนเพราะทาได้ผลมันก็เกิดขึ้นมาพวกเหล่านี้ที่ไม่ได้ผลเพราะไม่ทาตาม ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็กลับไปหาความสุขแบบเก่ากลับไปหาลาบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันมันก็เลยไม่ได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนิบบานังปรมังสุขขังถ้าอยากจะได้นิบบานังปรมังสุขขังก็ต้องทาตามที่พระเจ้าได้กระทำาสลรทรัพสมบัติเก้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชไปอยู่วัดกัน ไปฝึกสมาธิไปสอนใจเตือนใจไม่ให้กลับมาหาความสุขถางตาหูจมูกนิ้วกายต่อไปให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปก็มีเท่านี้ล่ะการฟังเทศฟังแทนสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิต e ุทินังเปตานังอุปการปติอ e ิชิต um ังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสพเเอปเรนตุสังกะปาจันโทปนาอะระโสยะถามณีโชติ ราโสยะธาสัพิตโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตายุสุขีท aw ีขายุโกภะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจตารูธรมมวทานติอายุวโนสุขัง <า>ใครต้องการหนังสือซีดีก็มาเชิญหยิบไปของแจกฟีหนังสือธรรมะนี่ไม่ขายเป็นธรรมทานนะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เงินทองกองเท่าภูเขาก็สู้ธรรมะไม่ได้ ธรรมะดับทุกได้ไดงเงินทองกองเขา้าภูเขาดับความทุกข์ใจไม่ได้นอกจากดับไม่ได้แล้วยังไปสร้างความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นอวันนี้มีต่างชาติเข้ามาปะไม่มีค่ ะ, ะมีมีคําถามไะมคําถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลานั่งภาวนามีแสงเล็กบางครั้งแสงใหญ่ และบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนมดไตตามตัวแต่พอลืมตามาก็ไม่มีควรทำอย่างไรคะก็อย่าไปสนใจมันไงกิเลสมันหลอกอะมันพยายามที่จะนบกวนาการตั้งสติของเราให้ เ, เราต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไป<ม>หรือถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆไม่ว่าจะรู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้ หรือมีแสงมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับคำบิลีรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปข้อที่สองค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะขับรถเห็นร่างผู้ชายสีดำไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งผ่านหน้าอย่างรวดเร็วโดยที่คนที่นั่งมาในรถไม่มีใครเห็นเลยควรจะต้องทำอย่างไรคะ ก, ก็เฉยไปไง ก็ให้เห็นว่ามันเกิดแล้วดับมันไม่เที่ยงมันมาแล้วมันไปแล้วค่อยรู้เฉยๆคำถามจากคุณธรรมทอนค่ะค้าขายมาสิบปีมีแต่ขาดทุนเลยเลิกกิจการเก่าอตอนฐานะดีใช้ใจ่ายแบบไม่คิดมา ค, คิดตอนหมดตัวยามทุกข์ถึงเข้าหาครับขอถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งที่พาไปทำบุญ มีแต่ให้ผมขอพรจากพระให้มีโชคมีลาภแต่ผมค้านในใจเราเราไม่ให้เราขอแต่เหมือนหมายถึงว่าเขาไม่อยากขอค่ะเขาคิดว่ามันเป็นบุญเก่าอ่ะค่ะที่ตอบสนองเข า, าผมคิดถูกเลยครับถูกแล้วก็คือมันจะพรเหล่นี้จะมีเงนินไม่มีเงนินมันมีสองเหตุไงเหตุหนึ่งก็คือจากบุญเก่าที่เราเคยทําไว้ถ้าเคยทําบุญเก่าไว้ บุญเก่าบางทีมันก็ส่งผลให้เรารล่าให้รวยได้ถ้าเราไม่มีบุญเก่าก็ต้องอาศัยบุญการกระทําในวันปัจจุบันคือขยันหาเงินขยันทํางานขยันเก็บเงินเดี๋ยวมันก็รวยได้ก็มีสองวิธีมันไม่ได้รวยเพราะพระให้พรเกราะอย่างนั้น <c oughs> เราทําบุญระบบอกพระก็บอกว่าขอให้รล่าให้รวยถ้าอย่างนั้นพระก็รวยก่อนแล้วสิ <c oughs> ไปให้พรคนอื่นทำไมให้พรตัวเองก่อนไม่ดีเลยขอให้กูรวยก่อนกู <c oughs> อยากจะสร้างโบสถ์จะได้ไม่ต้องมาขอเงินญาติโยมสร้างนี่แหละกูขอให้กูรวยเดี๋ยววันนี้กูขอแทนขวย <c oughs> ได้เงินมาจะได้สร้างโบสถ์สร้างเจดีไม่ต้องไปขอเงินบริจากจากญาติโยมใช่ไหอพระเองยังต้องไปขอเงินญาติโยมแล้วแล้วญาติโยมจะไม่มาเสกเป่าให้น้าพี่รวยได้ยังไง มันไม่เป็นไปไม่ได้พระเพีงแต่บอกว่าเนี่ยงินที่ทําบุญเนี่ยมันจะทําทให้เรารวยแต่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ไม่รดยหรอกถ้าทําบุญไปเรื่อยๆมันเหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารเหมือนเงินเกับที่เราไปซื้ออธนบัตรของรัฐบาลเดี๋ยวพอคร บ, บเวลา5ปี10ปีมันก็จะได้ดอกได้อะไรกลับมาตอนนี้ไม่ได้ทําบุญตอนนี้ไม่ได้นมีแต่เสียอนนันยัะ ยิ่งทำมากยิ่งเสียมากไม่ได้มากหรอกแต่ชาติหน้าเนี่จะได้เวลากลับมาเกิดชาติหน้าก็มาเกิดเป็นลูกของคนรวยเลยจะได้ไม่ต้องมาเหน็ดมาเนื่อยกลับมาเบิกเงินที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารถ้าเราไม่ได้ทาบุญเกิดมายากจนก็ต้องอาศัยความขยันละถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องอาศัย ความขยัพนพรแสวงเขาเรียกว่าพรแสวงพยายามทําความดีให้มากทํางานทําการทําอะไรเดี๋ยวผลตอบแทนมันก็ปรากฏขึ้นมาเองอาไปศึกษาประวัติของเศรษฐีบางคนก็ไม่ได้เกิดมาร่ำมารวยพ่อแม่เขาก็ยากจนแต่เขาก็มีความขยันมีพรแสวงพยายามหาเงินพยายามเก็บเงินได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เอาไปใช้ เอามาลงทุนใหม่มาขยายกิจกรรมยยกรรมิจการขยายสาขาธนาคารเนี่ยตอนต้นเขาเปิดเขาเปิดกี่สาขาเขาเปิดสาขาเดียวพอทําไปทําไปได้กําไรเออไปเปิดอีกสาขาหนึ่งพอได้กําไรอีกก็ไปเปิดอีกสาขาหนึ่งอันนี้มีเป็นร้อยเป็นพันสาขาเห็นไหมอันนี้ก็มีเควิธีที่จะร่ำจะรวยมีสองวิธี บางพวกก็กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลวกนี้แสดงว่าชาติก่อนได้ทําบุญมาก่อนอะไรนี้นมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ก็มีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญมาถึงก็เบิกได้เลยจอยอย่าไปหาพระอย่าไปขอพรจากพระทําบุญนี้ไม่ได้ทําบุญเพื่อที่จะให้เราร่ํารวยทําบุญนี้เพื่อให้เราเห็นโทษของเงินทองว่า เงินทองนี้พึ่งไม่ได้อย่าไปพึ่งมันเอาเงินที่เราเคยพึ่งเงินทองนี้เอามายกให้คนอื่นไปแล้วมาพึ่งการปฏิบัติการทำใจให้สงบดีกว่าถ้าใจสงบแล้วเราจะมีที่พึ่งเราจะมีความสุขถ้าพึ่งเงินเวลาเงินหมดมันก็เดือดร้อนใช่ไหมงั้นอย่าไปพึ่งเงินคนนี่คือเป้าหมายของการทำบุญของพระพุทธศาสนา ตอนให้เรารู้จักเลิกพึ่งเงินทองที่เราจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวเพื่อจะได้มีความสุขจากการไปเที่ยวก็อย่าไปทําเอาไปทําบุญแทนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพึ่งการเที่ยวเพราะถ้าเราพึ่งการเที่ยวเวลาไม่มีเงินเที่ยวจะทำยังไงก็ทุกข์อีกละนี่คือเหตุผลของการทำไมให้มาทําบุญ ถ้าจะเอาเงินถ้าจะพึ่งเงินทองอยาเอาเงินไปซื้อความสุขเอาไปทำบุญดีกว่าทำบุญก็ได้ความสุขเหมือนกันดีกว่าด้วยเพราะทำบุญแล้วทำให้อิ่มใจไม่หิวไปเที่ยวแล้วกลับมาบ้านหิวไหมอยากจะกลับไปเที่ยวใหม่แต่ทำบุญเสร็จกลับบ้านอิ่มใจสุขใจไม่อยากไปเที่ยวไหนอยู่บ้านสบายใจนี่คือ การทำบุญทําเพื่อให้เราเลิกพึ่งเงินทองเป็นวิธีหาความสุขให้มาหาความสุขจากการมานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันคําถามจากคุณสต๊อกค่ะตอนนั่งสมาธิแล้วรู้สึกง่วงจะเอาชนะความง่วงได้ยังไงครับก็ลุกขึ้นมาเดินสินั่งง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินล้างหน้าล้างตาัหน่อยถ้ายังง่วงอยู่ก็เดินแบบถอยหลังสิ อย่าเดินเดินช้าๆก็ได้เดินถอยหลังมันต้องบังถ้ายังง่วงอยู่ก็ไปนอนแล้วคราวหน้าก็อย่ากินข้าวอยากินมากกินน้อยๆ <c oughs> เคยกินเท่าไหร่ก็ลองลดลดสักครึ่งหนึ่ง่ <c oughs> ะลองไม่กินข้าวเย็นดูัว <c oughs> สะยังจะ ง, ง่วงหรือเปล่าถ้า <c oughs> ง, ง่วงก็กินมื้อเดียว <c oughs> จากษามมือกลาวแค่มือเดียวถ้ายังง่วงก็กินวันเว้นวันวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กิน ม, มันต้องหายง่วงแนะ่รับรองได้มไม่ช้าก็เร็วถ้าอดไม่ได้ก็ไปหาที่น่ากลัวอยู่นั่งได้ไหมไปนั่งที่ป่าช้าได้เปล่าถ้าไปนั่งที่ป่าช้าแล้วมานั่งบนเขาในป่ า, างได้เปล่า ถ้ามันกลัวแล้วมันรับรองแล้วมันจะไม่ง่วงไปหาที่น่ากลัวนั่งก็มีวิธีแก้แก้ความง่วงแบบนี้แหละคาถามชาคุณอรารยาค่ะมีเพื่อนที่เล่นการพนันเป็นอาชีพรู้อยู่ว่าไม่ควรครบหาสมาคมด้วยแต่ด้วยความเป็นเพื่อนและสงสารเวลาที่เขาเล่นจนหมดตัวแต่เราจะช่วยแค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้น แบบนี้แัดว่าเราเป็นคนบาปที่สนับสนุนไหมคะและควรคบหาด้วยไหมคะคือการคบหาสมาคมกับเขานี้ก็เพื่อไม่ให้เขาชวนเราไปเล่นเท่านั้นเองคบได้แต่เวลาเขาชวนเราไปเล่นเราอยากไปเล่นตามเขาก็แล้วกันนะก็ไม่เสียหายตรงไหนบางทีเราใจอ่อนเขาชวนเราไปเล่นเราก็ถ้าไม่ไปเราก็กลัวเสียเพื่อนเราก็ไปเล่น อย่านี้ไม่ดีแต่ถ้ายังต้องคบกันอยู่คบได้แต่อย่าไปทําตามที่เขาทําเขาชวนเราไปเล่นเราอย่าไปเล่นก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเขาเขาเขาหมดตัวไม่มีเงินซื้อข้าวกินเราซื้อข้าวให้เขากินอย่างนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการทําทานไม่ได้เป็นการทําบาปเพราะชีวิตเขาเราไปกําหนดไม่ได้เราไปบงังคับไปสั่งให้เขาทำหรือไม่ทําอะไรไม่ได้ ถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีเราก็จะแนะนำเขาถ้าเขาอยากจะรู้ก็บอกว่า เ, เล่นการพนันเนี่ยมันในที่สุดมันจะมันก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวถ้าเลิกได้ก็จะดีแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็เล้าไปถ้าพูดมากๆเดี๋ยวเขาจะโกรธเราจะเบื่อเราถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าพูดก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขา แต่คบกันได้เพียงแต่ว่าอยากไปทําตามเขาถ้าเราเป็นคนใจอ่อนก็อย่าไปคบกับเขาเดีย๋ยวคบแล้วเขาชวนให้เราไปทําอะไรใช่ไหมเนี่ยมีคนมาชวนเราไปทําอะไรเยอะแยะเนี่ยใจอ่อนหรือเปล่าอย่าไปใจอ่อนนะเราต้องรู้มีจุดยืนของเราพอมีมีไฟแดงของเราพอถึงไฟแดงแล้วไปไม่ได้แล้วต้องจอด ไม่ใช่เก่งใจเขาเขาชวนให้ไปทํานูน่นทํานี่ก็ไปกับเขาไม่ได้นะต้องมีหลักเตือนครบได้เพราะคนเราบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สังคมมาพบปะกันก็ต้องคุยกันบ้างทักทายกันบ้างแล้วก็ชวนกันไปทํานูน่นทํานี่กันถ้าก็ชวนไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปยอมเสียเพื่อนดีกว่า ย, ยอมเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวก็ใช่ไห ไ้กับเขาเราเสียตัวอาจจะหมดเนื้อหมดตัวตัวก็หลอกอเนื้อถ้าเสียตัวก็ไปทําไปทําผิดไปทําผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็เสียเนื้อเสียตัวเราต้องรักตัวเรามากกว่ารักเพื่อนนคําถามจากคุณสุทธิศักดิ์ค่ะการฝึกสติให้รู้ทันใจตัวเองทํำยังไงครับก็ต้องมีพุโทโธอยู่ทั้งวันไนง พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพอมันไม่พุโทโธก็รู้แล ว, ว่ามันมันเผลอละอาไม่พุโทโธก็แสดงว่ามันจะไปละมันจะไปหาเรื่องนะก็ดึงมันกลับมากลัวจะไม่รู้เสึกตัวเลยว่าไม่ได้พุโทโธเลย <c oughs> อ่นเราตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เราจะพุโทโธทั้งวันดูแล้วคอยเฝ้าดูว่ามันจะพุโทโธได้สักกี่นาทีพุโทโธได้แป๊บเดียวหายไปไหนแล้วไเลย คำถามจากสามเณรชันชัยค่ะกระผมชอบไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่ใช่ญาติเดากระผมทำผิดวินัยโสมัยครับคือเป็นสามเณรเป็นพระในการไปเยี่ยมคนที่ไม่ใช่ญาตินี้มันไม่มีความจำเป็นไม่ควรจะไปให้เสียเวลาเพราะว่าเรามีหน้าที่ของเราเราต้องศึกษาริ่เรียนพระธรรมคำสอน เราต้องปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามัวแต่ไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเหมือนกับนักศึกษาในมหาลัยไม่เข้าห้องเรียนมัวแต่ไปทํากิจกรรมนอกโรงนอกห้องเรียนเดี๋ยวเรียนก็ไม่จบสิเวลาสอบก็จะสอบตกนเนี่ยพระเนรเราบางทีไม่รู้จักหน้าที่ของตนว่ามาบวชเพื่ออะไรหน้าที่ของพระเนรมาบวชเพื่อมาบวชมาเรียนเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุบุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทำหน้าที่ไปเป็นครูสั่งสอนคนอื่นต่อไปไม่ใช่มาตะลอนตะลอนไปเยี่ยมคนนั้นเยี่ยมคนนี้อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชไม่ใช่หน้าที่ของสัมมาณีนอกจากว่าเป็นญาติพี่น้องแล้วเขาเรียกหาอยากจะให้ไปเยี่ยมนี่ก็ไปแต่ถ้าเขาไม่เรียกร้องให้เราไปก็ไม่ต้องไปหรอกไม่ใช่หน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราคือริ่มเรียนหนังสือปฏิบัติไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาคำถามจากคุณพิทักษ์ค่ะบางครั้งเรามีเจตนาความปรารถนาที่จะช่วยสัตว์แต่เกิดอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจทำให้สัตว์บาดเจ็บหรืออาจจะถึงแก่ความตายได้ถือว่าเราทำผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับถ้าไม่มีเจตนาไม่ผิดหรอก คำถามจากคุณทิติชัยค่ะการที่จะทําให้ความโกรธแค้นใครสักคนหมดสิ้นไปควรเริ่มต้นอย่างไรดีครับคิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักมากที่สุดในโลกอเวลาเรารักใครนี่เราให้อาภัยได้ใช่ไหมเวลาได้คบกับแฟนใหม่ๆนี่เขาทําอะไรนี่ไม่โกรธเขาเลยใช่ัหมโกรธก็แล้วก็ทําใจได้เพราะเรารักเขา พยายามคิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักที่สุดรักมากที่สุดแล้วเราจะให้อาภัยเขาได้คําถามจากคุณบัณฑิตค่ะการที่ใจเราปล่อยวางแล้วแต่สมองยังคิดในเรื่องต่างๆอยู่อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับหรือเราต้องหยุดคิดด้วยครับความรู้สึกทางใจมันจะมีแต่ความปล่อยอยู่แทบจะตลอดเวลาครับถ้ายัางคิดก็ยังไม่ได้ปล่อยนะสมองไม่ได้คิดหรอกใจนี่แหละคิด ตจยังไม่ปล่อยถ้าปล่อยแล้วจะลืมเลยจะไม่คิดถึงมันเลยแม้ว่าปล่อยคาถามจากคุณเฉลยค่ะการที่เราโอนเงินหรือฝากไปทำบุญเราจะได้บุญเหมือนที่เราไปทำเองหรือเปล่าคะได้เหมือนกันคาถามจากคุณคาวีค่ะพระเล่นหวยแต่ได้เงินมาทำบุญจะผิดไหมคะ กตไม่ใหน้าที่ของพระไม่ใช่เกตของสงเราจะได้บุญไหมคะได้บุญแต่ขาดทุนคือบุญที่ดีกว่าไม่ได้มาได้บุญแทนที่จะเอาเงินที่หนึ่งเอาแค่เลขท้ายสองตัวบุญคือพระนิพพานจะไม่ได้จะมาได้ได้แค่ บ, บุญที่เกิดจากการทําทานขาดทุนคําถามจากคุณมดแดงค่ะ พระจะมาซื้อบุหรี่เลยบอกพระว่าไม่ขายพระไม่ยอมจะซื้อให้ได้เลยบอกพระว่าโยมตั้งใจถวายเงินไว้ใช้เมื่อจําเป็นไม่ได้ให้มาซื้อบุหรี่พูดแบบนี้จะบาปไหมคะไม่บาปหรอกดีเสีจะได้รู้ว่าเงิ น, นนี้เขาไม่ได้ซื้อไว้ซื้อบุหรี่ในในบาปารานานก็เขียนว่าสัมณะบริโภคสมณะบริโ ภ, ภคก็คือปัจจัยสี่อาหารบิณนบาบจีวร อยากรักษาโรกที่อยู่อาศัยถ้าขาดแคลนของพวกนี้ก็ไปซื้อได้แต่ถ้าขาดบุหรี่ซื้อไม่ได้ขาดบุหรี่ก็หัดอดเนี่ยมาบวชเพื่อมาอดไม่ใช่มาไม่ใช่มาบวชเพื่อมามามาเสริมความอยากถึงแม้ว่าจะไม่ผิดพระวินัยแต่มันก็ไม่ควรแต่ถ้าญาติโยมเมตตาซื้อบุหรี่มาถวายก็สูบได้ไม่ผิดพระวินยัย อบสูบบุรี่ไม่ได้ทําให้เสียสติไม่เหมือนกับโซราดื่มโซราแล้วเมาเสียสติและทําให้รักษาศีลไม่ได้แต่สูบบุหรี่นี่ไม่เมายังรักษาศีลได้อย่เพีงแต่ว่าสูบมากก็ไม่ดีสูบมากก็เป็นภัยต่อร่างกายเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าสูบพอหอมปากหอมคอวันละสองสามมวนนี้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าสูบวันลสองสามสองนี้มันก็อันนี้สูบด้วยความอยากถ้าสูบเพื่อแก้ความเปรี้ยวปากวัละมูนสองมวนนี้ก็ไม่เป็นไรยังกินข้าวเสร็จแล้วยังเปรี้ยวปากอยู่ก็สูบบุหรี่สักมวนนี้อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคำถามจากคุณคาญค่ะผู้ป่วยทุกขเวทนามากๆคนกาห น, นดกีบอย่างไรเจ้าคะเช่นผู้ป่วยมะเร็งค่ะ ก็เฉยๆไงปล่อยมันปวยปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันเจ็บน้อยลงมันจะเจ็บเท่าไหร่ก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าไปสนใจเหมือนกับเวลานั่งสมาธิแล้วคันตรงนั้นคันตรงนี้เราก็อย่าไปสนใจเราก็พุทโธพุทโธไปแล้วใจเราจะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะอยากให้มันหายเมือนเวลามันคันแล้วอยากให้มันหายคันนี่มันทรมาน อย่าไปอยากให้เฉยๆให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปคำถามเจ้าคุณจีราพัฒค่ะมีสามีชอบสูบยาเมาเดาวห้ามแต่เขาไม่ฟังเวลาเขาดูดขณะพบกับดาวอยู่เราจะบาปไหมคะยาเมาพื่อกัญชาเนะี่ยกัญชายาถิ่นเนะี่ยอก็เป็นยาเสพติดนนะไม่ควรที่จะเวลาอยู่กับเขาไม่บาปหรอเขาเขาเขาเสกไปเรื่องของเขา ก็เหมือนกับเขาดื่มโซราแล้วเขาเมาอันนี้ก็เหมือ น, นกับยายาสูบแทนที่จะดื่มก็สูบแทนแล้วก็เมาความเมาเป็นของเขาถ้าเราไม่ได้ไปสูบกับเขาเราไม่เสียหรอกแต่ถ้าเราไปสูบกับเขาด้วยเราก็จะเสียเสียสติค่ะำถามจากคุณจิตกรค่ะาอาจารย์ช่วยช่วยถอดความหมายธรรมะของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนว่า ดีใดที่ไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าเลิศหมายความว่าอย่างไรคะคือการกระทําความดีต้องไม่เกิดโทษกับใครไม่โทษทั้งกับผู้กระทาเองถ้าทําแล้วเกิดโทษถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่กับเกิดโทษกับตนเองมันก็ไม่ดีเช่นเนี้สามเณรไปเยี่ยมคนไข้เมันก็เป็นการทําความดี แต่มันเกิดโทษเพราะทําให้ตัวเองไม่มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมงั้นต้องไม่ไม่ทําความดีแล้วทําให้เกิดโทษกับตัวเองทําความดีแล้วต้องเกิดเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งกับคนอื่นนะกับตนเองอย่งจะเรียกว่าเป็นการกระทําที่ดีเลิศคําถามจากคุณก๊อฟค่ะเราหลงเราหลงรักคนคนหนึ่งอยู่รักมากครับ แต่เขากับทำเหมือนไม่ได้รักเราจะเอาอะไรเข้าช่วยดีครับก็ดูตับไตไสู้มิก็มองเนยิ่าเป็นชนะอ่าอาการสามสิบสองอ่าเป็อาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยมองก็ไปใต้ผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนึกถึงเอ็นกานึกถึงกระดูกกระดูกศีรษะโคงกระดูกนึกถึงปอดปลปอดใหญ่ๆสองปอดหัวใจอ่ ตับตายลําไส้ลําไส้ยาวเป็นขดยาวเป็นหลายเมตรเนี่ยแล้วมันก็ไปขดอยู่ที่ในท้องเนี่ยลองนึกถึงอาการเหล่านี้ดูแล้วดูซิเรายังรักเขาอยู่ว่าเปล่าคำถามจากคุณทวิชาค่ะทําบุญกับใครก็ได้ด้วยเงินเท่ากันจะได้บุญเท่ากันแต่หนูชอบทําบุญกับพระอริยะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าพระที่ไม่ปฏิบัติ อย่างนี้เรียกยังยึดติดหรือเปล่าคะไม่หรอกก็หนูเหมือนกับเลือกปั๊มน้ำมันอ่ะเวลาไปเติมน้ำมันนี่บางปั๊มก็มีของแจกบางเบางปั๊มก็ไม่มีของแจกนะบางปั๊มก็มีผ้าเย็นแจกบางปั๊มก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันแจกถ้าเราอยากจะได้รับของแจกเราก็ต้องไปเลือกปั๊มที่มีของแจกเพราะเราจะได้สองอย่างได้สองเด้ได้น้ามันด้วยแล้วได้ของแจกด้วยของแถมด้วย ก็เหมือนกันทำบุญกับพระที่ไม่เป็นพระอริยะกับพระอริยะก็ของแจกไว้เหมือนกันทำบุญกับพระอริยะท่านก็จะสอนธรรมะของระดับพระอริยะให้เราฟังทำบุญกับพระที่ไม่ใช่เป็นอริยะท่านก็จะสอนธรรมะในระดับต่ำกว่าอยัางของแถมที่เราได้จะไม่เหมือนกันถ้าเราต้องการของแถมเราก็ต้องไปเลือกสิ่งที่ของแถมที่เราอยากได้บางคนชอบทําบุญ ก, กับพระที่แจก แจกเหรียญจากวัตถุมงคลเวลาไปทําบุญแล้วท่านก็แจกวัตถุมงคลให้บางคนไม่ได้อยากได้วัตถุมงคลอยากได้ฟังธรรมะอย่างมาที่นี่มาทำไมมาฟังธรรมะใช่ไหมอันนี้ที่นี่แจกธรรมะมีทั้งหนังสือมีทั้งซีดีมีทั้งการสนทนาทำตอบปัญหาคําถามต่างๆมาที่นี่ก็ได้สองเดงได้บุญจากการเสียสละเงินทองแล้วก็ยังได้ ได้ได้ความรู้เพิ่มเติมถ้าไปทำที่อื่นที่ไม่มีการแสดงธรรมมีแต่ให้ถวายสังฆทานถวายของเสร็จก็ให้พรเสร็จก็กลับบ้านอย่างนั้นก็ได้เด่งเดียวได้น้ำมันเติมน้ำมันได้บุญนี้เป็นน้ำมันเป็นเหมือนอาหารใจความสุขใจแต่ธรรมะคาสอนนี้เป็นของแถม นั่นก็แล้วแต่เวลาเราทําบุญกับใครเรามักจะมีของแถมไม่เหมือนกันถ้าไปทําบุญกับโรงพยาบาลหมอเขาก็จะเล่าเรื่องวิธีรักษาโรคมะเร็งรักษาโรคหัวใจให้เราฟังเราก็จะได้ความรู้กลับไปบ้านอราต่อไปนี้ต้องกินของมันไม่ได้นะต้องลดของหวานแล้วนะต้องคอยชั่งน้ําหนักดูนะว่ามันเกิดหรือไม่เกินอันนี้ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับทางรักษาร่างกาย ถ้าไปทําบุญที่โรงเรียนเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้เรื่องวิชาการต่างๆครูก็มีวิชาการอะไรเขาก็จะคุยจะบอกเราเนี่นมันก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการของแถมอันไหนหรือไม่ต้องการของแถมบางคนไม่ต้องการของแถมแม่ไปทําบุญกับพระริยะทําบุญเสร็จก็กลับบ้านเลยไม่นั่งฟังธรรมเขาก็ได้บุญละเขาได้ทําบุญใสรจเขาก็ไปละอันนี้ก็ ได้เหมือนกันแล้วแต่คนทแจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะโยมบริกรรมพุทโธกับดูลมหายใจคุมสติไม่อยู่เลยใช้วิธีดูการเคลื่อนไหวกายโดยนึกว่ากายกำลังทำอะไรและบรรยายทุกอริยบทไปในใจเช่นกำลังหยิบของกำลังยื่นมือกำลังเทของเหมือนภาพการกระทําของตัวเองในภาพยนตร์ได้ไหมคะได้ได้ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวใจมันจะไปคิดเรื่องอื่น่กำลังหยิบกำลังยื่นมือออกไปภากไปในใจเย่านเดี๋ยวมันหยิบไปแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้น<ๆ>เรื่องนี้ได้ต่อไปเวลามีสติมากขึ้นมันก็หยุดภาคได้พอใจมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็หยุดภาคได้ตอนต้นอาจจะภา ก, ก่อนเหมือนบางแหแ่งก็ถอนว่ย่างหนาะก้าวนอะวางหนอหยิบหนอ เคี้ยวเนาะกลืนเนาะอันนี้เป็นการภากไปในใจด้วยเวลากินข้าวก็ให้รู้ว่ากำลังตักตักเนาะเข้าปากเนาะเคี้ยวเนาะกลืนเนาะอย่างนี้มันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยแต่ถ้ามีสติจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพากให้รู้ว่ากำลังตักข้าวเข้าปากรู้ว่ากำลังเคี้ยวรู้ว่ากำลังกลืนไม่ไปคิดเรื่องอื่นนี้แสดงว่ามีสติ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะแานทำงานอยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้ใช้ในครอบครัวดิฉันก็นำเงินส่วนหนึ่งในนั้นไปทำบุญทุกครั้งอย่างนี้แฟนเขาจะได้บุญด้วยไหมคะเขาได้ตั้งแต่เขาให้เราแล้วล่ะมาเนีย่ยดังนั้นเราเวลาให้เงินใครนี่เราถือว่าเราทำบุญนะนอกจากว่าเป็นเป็นการซื้อขายก็ไม่เป็นการทำบุญในการแลกเปลี่ยนก็ไม่เป็นการทำบุญ จ่เราเอาเงินไปซื้อของที่ร้านนี้ไม่ถือว่าเป็นการทาบุญเพราะเราไปเอาเงินแลกกับของที่เขาให้เรามาแต่ถ้าเราไม่เอาของนี่เราก็เป็นการทาบุญไปร้านนี้เราสงสารมึงขายไม่ดีเลยเ อ, เอาเงินนี้ไปหน่อยมนสนับสนุนแต่ไม่ต้องการสินค้าของมึงหรอกอย่างใช่มึงขายดีถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าทาบุญถ้าให้โดยที่ไม่มีการรับตอบแทนก็เรียกว่าเป็นการทาบุญ ถ้าสามีเขาให้เราเพราะว่าเราถ้าเราถ้าถ้าเขาไม่ให้เราแล้วเราไม่อยู่กับเขานี้ก็อาจจะเป็นการว่าจ้างก็ได้ก็อย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเขาเขาไม่ให้เราเราก็ยังอยู่กับเขาอยู่เราเรายังรักเขาเหมือนเดิมอยู่ว่าไม่ว่าเขาจะให้เงินเรา้วไม่ให้เงินเราอย่างนั้นการให้เงินของเขาก็ไม่ได้เป็นการว่าจ้างแต่อย่างใดแต่บางคนนี่ต้องจ้างถึงจะอยู่ใช่ห right? มถ้าไม่ได้เงินเดี๋ยวเขาก็ไป อ้อย่างนี้เขาก็เป็นเท่ากับไม่ได้เป็นการทําบุญเป็นการซื้อขายเป็นการว่าจ้างเขาก็จะไม่ได้บุญคาถามจากคุณโตมอนค่ะจิตดูจิตให้ดูยังไงครับก็ดูว่าจิตกำลังคิดอะไรไงกำลังโลภ ก, กำลังโกรธหรือว่ากำลังไม่โลภไม่โกรธให้ดูอย่างนี้หว่าจิตทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสใช่ไหม ทุกเพราะความอยากเนี่ยเขาด่าเราทุกเพราะเราเราทุกเวลาเวลาก็ด่าเราเราสุขแล้วเราทุกเราทุกต้องถามตัวเองว่าเราทุกเพราะอะไรทุกเพราะเราอยากให้เขาไม่ด่าเราใช่ไหมถ้าไม่อยากจะทุกทํายังไงก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าเราไปเราก็จะไม่ทุกต่อไปนี่คือการดูจิตดูเพื่อให้จิตไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ก็ต้องแก้มันให้ได้ สาเหตุของความทุกข์สาเหตุของความทุกข์ก็คือความรักความชังนี่แหละพอรักอะไรก็ทุกข์แล้วพอชังอะไรก็ทุกข์แล้วงั้นก็อย่าไปรักอย่าไปชังแล้วก็จะไม่ทุกข์คำถามจ้าคุณบวรศักดิ์ค่ะเวลาเข้าสมาธิเมื่อเข้าภาวังจะทำยังไงไม่ให้หลับครับถ้ามันเป็นสมาธิมันก็ไม่หลับถ้ามันไม่เป็นสมาธิมันก็หลับทไไาไม่ได้บังคับไม่ได้ สาเหตุที่ทำให้หลับหรือไม่หลับก็คือสติถ้าสติไม่มีกำลังมากก็จะหลับถ้าสติมีกำลังมากก็จะไม่หลับวิธีที่จะทำให้สติมีกาลังมากก็ต้องหมั่นพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนมานั่งต้องฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งแล้วเราจะมีสติมากแล้วเราจะไม่หลับเวลาจิตสงบคำถามจากคุณอุทัยค่ะ กรณีจิตไม่มีกำลังจะแก้ไขยอย่างไรคะก็เ น, นี่ยก็สร้างกำลังด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพยานพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาคำถามจากคุณปุ๊ก ค, ค่ะเมื่อเช้าได้ข่าวขอทานที่ตลาดโดนโจ้ต้นเงินไปหนึ่งมื่นสามพันบาทคนที่ทำแบบนี้จะได้รับกรรมเช่นไรเจ้าคะ่ะก็ต่อไปก็จะถูกเขาป้วนคืนน่นเอง ทำกรรมวันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมของกรรมนั้นนะไปขโมยเงินของคนอื่นต่อไปก็จะถูกเข้ามาขโมยเงินของเราไปอาจจะไม่ชาตินี้ก็ได้จะชาติหน้าชาติต่อไปคาถามจาคุณหาไทยรัฐค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วพิจารณาอนาัตตาจิตสงบรวมเป็นสมาธิได้เร็วแต่พอจิตสงบแล้วก็เอาจิตมาอยู่กับความสงบค่ะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ถ้านั่งสมาธิก็ต้องการให้มันสงบไม่ควรจะทำอะไรแต่มันสงบอย่างเดียวสงบนานๆคำถามจามกคุณณพลค่ะจะทำอย่างไรครับให้มองฝ่ายดีของคนที่ถูกมองว่าไม่ดีให้เห็นบ่อยๆครับเพราะว่าการบางส่วนที่ไม่ดีของคนที่เรารู้สึกว่าไม่ดีบ่อยๆมันสั่งสมในใจเราให้เป็นคนชอบจับผิดและลแลวแหวนบ่อยๆค่ะ ก็ต้องศึกษาประวัติของเขาด้วยว่าเขาเขาทาความดีอะไรมาบ้างถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ถ้ามีแต่คนมาเล่าถึงความไม่ดีของเขาเราก็จะเห็นเขาเพียงด้านเดียวเห็นด้านไม่ดีถ้าเราอยากจะเห็นด้านดีดีเราก็ต้องไปค้นคว้าไปถามคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้เขามีอะไรดีบ้างเมื่อเราจะได้มาดูมองมองด้านดีของเขาคาถามจากคุณจิตค่ะ พอท่องพุทโธสักสี่ห้าคำมันจะไปรู้ลมแล้วรู้ลมสักแป๊บก็คิดสักพักจะมาเริ่มพุทโธใหม่ต้องเพียนใหม่ใช่ไหมเจ้าคะอก็อย่าให้มันคิดก็แล้วกันถ้ามันจะดูลมจะพุทโธก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันคิดพอมันคิดก็ต้องหยุดมันคำถามจากคุณจินดาพรค่ะสามีของลูกเขาไปหาปาเพื่อมาเน้นชีพอย่างนี้จะบาปไหมคะบาปฆ่าสัตว์เนี่ย คำถามจากคุณปาจพีค่ะขณะภาวนาพุโทโธแต่จิตยังเผลอคิดเรื่องอื่นไปด้วยแต่ภาวนาพุโทโธก็ยังไม่หยุดเหมือนทำสองอย่างพร้อมกันอย่างนี้ถือว่ามีสติอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าครับก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งไงมันยังมันยังแวบไปคิดเรื่องอื่นอยู่ <Yeah. S 2> ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธจะมีกาลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วความคิดก็จะน้อยลงไป ต่อไปพังคิดก็จะหายไปจิตก็จะสงบคำถามจากคุณมดแดงค่ะที่บ้านค้าขายทั้งของกินของใช้รวมถึงสุราบุหรี่ถ้าไม่เสนอลูกค้าลูกค้ามาซื้อเองนี่บาปไหมคะ เ, ออเสนอไม่เสนอก็ไม่บาปอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมคนให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเดินสุราเนี่มันผิดศีลนะไม เลยกลไปส่งเสริมสนับสนุนเขาแล้วเดี๋ยวก็จะเดินกับมาหาเราเขาไปกินเหล้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอาราวาสมาที่ร้านเราทุบข้าวของที่ร้านเราพัางก็ได้เพราะเขาก็อาจจะโกรธว่าเราไปโกงโกงเขาขายของไม่ดีให้เขาพอเขาเมาขึ้นมาเขาก็ไม่มีสติเขาก็จะมาอาราวาสมาทําร้ายข้าวของในร้านเราก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่ได้ดื่นสุราเขาไม่เมาเขาก็จะควบคุมสติเขาได้เขาก็จะไม่มาทำร้ายเข้าของของร้านเราให้มองมุมกลับด้วยว่าถึงมาตอนนี้เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการขายสุราแต่เราต้องคิดให้มันไกลเวลาคนดื่นสุราแล้วเมาเขาไปทาอะไรกันถ้าเขาไปขับรถเดี๋ยวก็ไปเกิดอุบัติเหตุทาให้คนไม่รู้วี่หนุ่ยเนี่ยต้องเสียชีวิตไป ถ้าเราไม่ขายสุราเขาก็จะได้ไม่เมาคำถามจากคุณรัชสาค่ะการที่เราอยากช่วยคนในครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่เราเป็นคนสวดมนต์ให้เขาหรือทาบุญแทนเขาแบบนี้จะสามารถช่วยให้เขาดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนคะอ๋อไม่ได้หรอกสวดมนต์นี่ช่วยให้เราดีขึ้นทาให้ใจเราสงบแต่อยากจะให้เขาดีขึ้นก็ต้องช่วยทางด้านอื่น เช่นถ้าเขาไม่มีงานทำก็หางานให้เขาทำไม่มีเงินลงทุนก็สนับสนุนการเงินการเงินการทางให้เขาได้ลงทุนหรือเขาอยากจะไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้ก็สนับสนุนให้ให้ทุนการศึกษาเขาอย่างนี้ก็ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นได้แต่การสวดมนต์ไหว้พระนี่มันดีสำหรับคนสวดคนคนไหว้เท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนละเรื่องกัน คำถามจากคุณจิตค่ะอยากได้หนังสือของพระอาจารย์ป่วยไปเอาไม่ได้เป็นโลภะใหมค่ค่ะคือการยินดีในธรรมนี่ไม่ถือว่าเป็นโลภะเป็นธรรมอ่ะเพราะการยิ น, ยนดีในธรรมเหนือกว่าการยินดีทั้งปวงการยินดีในธรรมจะทําให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงดันั้นไม่ถือว่าเป็นโลภะถือว่าเป็นมรรคเป็นเครื่องทําลายกิเลสเครื่องทําลายโลภะ คำถามจากคุณมินค่ะเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบแล้วเอาจิตดูจิตได้ไหมคะมันจะดูจิตโดยอัตโนมัติธะไม่ต้องไปทํำนั่งสมาธิจิตสงบแล้วจิตก็จะเห็นว่าจิตว่างจิตไม่มีอะไรคำถามจากคุณนงรักค่ะหลังจากทําวัดเช้าเย็นแล้วควรจะสวด บ, บทไหนต่อคะสักหนึ่งสองบทแล้วค่อยนั่งสมาธิค่ะแล้วแต่แล้วจะนั่งเลยก็ได้ไม่สวดเลยก็ได้แล้วแต่ แต่จะสวนบนไหนก็เลือกสวนเอาตามความพอใจคนถามจากคุณนงรักค่ะถ้าเราเพียรรักษาศีลและภาวนาเป็นประจำทุกวันเรื่องทานโดยการใส่บาตรไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆอย่างนี้จะดีหรือเปล่าคะก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีมากมีน้อยถ้าเงินทองถ้าเราไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วเรามาใช้ทำบุญได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ใช้ก็ก็เพียงแต่ว่าทําให้เราไม่ได้บุญนั่นเองแต่เราก็ได้บุญจากการนั่งสมาธิจากการรักษาศีลคาถามจากคุณเยาวราชค่ะเลี้ยงปลาขายบาปไหมครับก็แล้วแต่ว่าเลี้ยงแล้วไปทําอะไรถ้าเขาไปเลี้ยงต่อก็ไม่บาปนะถ้าเลี้ยงแล้วเอาไปให้เขาฆ่าก็ตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่ก็ได้ประโยชน์จากการฆ่าของ ของผู้อื่นมันก็ไม่ควรทำแั้ว่จะไม่บาปแต่ก็เหมือนกับอาชีพขายชุราขายอะไรต่างๆอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ไมสมควรที่จะทำเพราะส่งเสริมให้เกิดการฆ่ากันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขณะนี้โยมถือศีลแปดอยู่แต่เผอิญเดินไปเหยียบสัตว์เล็กๆแต่เผอิญเดินไปเหยียบสัตว์เล็กๆตายโดยไม่ได้เจตนา ทั้งๆ ท, ที่ระวังแล้วจะทำให้ผิดศีลหรือต้องไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆหนคะโยมได้อุทิ ศ, ศส่วนบุญส่วนกุศลขอโอษสิกรรมแล้วหรือควรทำอย่างไรจึงจะไม่บาปคะเ อ, อ่ไม่บาปอยู่แล้วพ่อไม่ได้ตั้งใจแตา จ, จะถูกช้างเหยียบตายก็ได้วัน <c oughs> ทีไปเดินเที่ยวป่าช้างมันเผลอมาเหยียบเราก็ได้ <c oughs> คำถามจากคุณธรรมรัค่ะ นอนไม่หลับมาสิบกว่าคืนไม่มีกังวลไม่มีฟุ้งซ่านร่างกายไม่เพียเป็นสภาวะอะไรควรแก้ไขอย่างไรคะก็จิตสงบนะ้ไม่มีความกังวลไม่มีความฟุ้งซ่านจิตก็สบายจิตสงบไม่กุ้งซ่านคําถามจากคุณไผ่ธรามค่ะถ้าเวลาหนูเดินจงกรมหนูใช้คําบริกรรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ แต่พอหนูนั่งภาวนาหนูใช้คำบริการพุโทโธได้ไหมคะได้คำถามจากคุณอภิพรค่ะภาวะกิเลสเกิดเช่นโกรธการาคะถ้าเรามีสติอยู่เราก็ดับได้แต่ถ้าหลับแล้วเกิดอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรคะต้องแก้ด้วยปัญญาถ้าเกิดการมารณมเกิดการมาราคะก็ต้องพิจารณาดูอสุภะ ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูตอนที่ร่างกายเป็นศพไปแล้วนี่ยังยักยังอยากมีการอารมณ์กับซากศพรึเปล้ยหรือไม่เช่นนั้นก็ดูเวลาที่ดูเข้าไปในข้างในดูตับไตไส้พุงดูอาการต่างๆที่ไม่น่าดูของร่างกายมันก็จะดับการอารมณ์ได้อย่างถาวรทุกครั้งพอจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาพอนึกถึงตับไตไส้พุงมันก็หายไป นี่ต้องดับด้วยปัญญาถึงจะหายอย่างอย่างถาวรคำถามจากคุณก๊อฟค่ะผมเข้าวัดแล้วได้ไปสนทนาคุยกับพระที่อยู่ในวัดและท่านถามว่าใครบวชให้พระพุทธเจ้าใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระพุทธเจ้าผมเลยงงก็เลยตอบท่านไปว่าท่านบวชเองท่านเป็นเอกของศาสนาอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอก คำถามกับคุณนงรักค่ะลูกได้ทํำลงทานทุกปีกับญาติและญาติทำผลบุญผลบุญนี้ได้อย่างไรเจ้าคะทํำลงทานก็เหมือนทําบุญใส่บาตรทำนองเนี้ก็เหมือนการทําให้ทานเราก็จะมีนิสสงฆ์ชาติหน้ากรรมเกิดก็จะไม่โอดอยากขาดแคลนคําถามจากคุณประหยัดค่ะซื้อนก ข, ข่ามาเลี้ยงฟังเสียงขันเลี้ยงอย่างดีอย่างนี้จะบาปไหมครับ มันก็แล้วแต่เราถ้าเราเป็นนกเราจะเราจะคิดว่าดีไม่ดีที่จะต้องถูกขังแล้วต้องมาร้องเพลงให้คนอื่นฟังอย่างเดียวต่อไปเร า, าจะกลับมาเกิดเป็นนกให้เขาขังบ้างก็ได้ถ้าไม่อยากจะถูกขังก็อย่าไปขังคนอื่นเลยปล่อยเขาไปดีกว่าให้เขามีสลับภาพคุณจินดาพรถามมาว่าแล้วลูกต้องทำอย่างไรเจ้าคะเพราะที่บ้านไม่รวยแต่เราจำเป็นต้องหาปลา เพอมารับประทานค่ะกินผักสิปลกผักหาขยะ ก, ก็ได้เนี่ยเดินข้างข้างถนนนี่มีขยะให้เก็บไปขายได้เยอะแยะไม่เชื่อลองเดินดูสองข้างทางเนี่ยมีขวดเอยมีกระป๋องเอยมีขวดพลาสติกเอย่ยขยันเก็บนี่ทําประโยชน์สองเด้งได้รายได้แล้ว ย, ยังช่วยรักษาบ้านเมืองให้สะอาดง่าดูน่าอยู่อาชีพสุจริตยอย่างอื่นมีทําเยอะแยะไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอก ไปรับจ้างก็ได้ไปเป็นเด็กปั้มก็ได้ไปทำงานเดี๋ยวนี้เขาก็มีค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยอยู่แล้วไปรับกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านอะไรไปคำ ถ, ถามจากคุณอ้อค่ะลูกช่วยหนูตกน้าเอามาไว้ในที่แห้งแต่ต่อมาเขาตายลูกจะบาปไหมคะไม่บาปไม่บาปคำ ถ, ถามจากคุณพาณีค่ะ การที่เราซื้อซื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดไปปล่อยแต่เราก็ยังทางสาชนิดนั้นมีโอกาสที่เราจะทางสัตว์ตัวที่ปล่อยไหมคะเราจะบาปไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าก็ถ้าเราไม่ไปจับมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าคนเื่นไปจับแล้วก็ไปฆ่ามานันแล้มาขายใส่ใส่หม้อแกงนี้เราไปซื้อมากินก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกินก็กินไป เราไม่บาปไม่เกี่ยวข้องอะไรกันบาปใดที่เราไม่ไปฆ่าเองหรือไปสั่งให้เขาข่างนี่ก็ไม่บาปคำถามจากคุณไฝ่ธรรมค่ะตอนเช้าตื่นมาแล้วยังไม่ทำวัดเช้าแต่เดินจงกรมและนั่งภาวนาก่อนสวดมนต์เช้าผิดไหมคะไม่ผิดหรอกการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นการทำวัดอยู่แล้วคาถามจากคุณคนธรรมดาค่ะทาอย่างไร จึงจะรักษาสภาวะในช่วงที่จิตสงบรวมเป็นสมาธิได้นานๆครับและจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเพื่อให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปคะก็คอยคุมคุมใจด้วยสติอย่าให้มันคิดถ้ามันจะคิดก็หยุดมันมันก็จะสงบต่อไปได้คำถามจากคุณดิฟฟลี่ค่ะเวลาสวดมนต์เช่นบทพาหุงมหากาที่บ้านคนเดียวควรใช้คาสวดจากเตเป็นเมใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของศัพท์ของภาษาเราก็ไม่รู้เพราะการสวดมไม่จําเป็นที่จะต้องเตหรือเมการสวดนี้เพื่อให้ใจเราสงบไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆจะเตก็ได้จะเมก็ได้ขอให้เราอย่าไปคิดก็แล้วกันแต่ถ้าจะเอาหลักของภาษาเราก็ต้องว่าเราเราสวดให้ใครถ้าสวดให้เราเราก็ว่าเมย์ถ้าเราสวดให้คนอื่นก็เรียกว่าเตยอย่างพระเวลาไปสวด ที่มนมน์ให้คนอื่นก็าจะสวดเตะเขาให้ญาตโยมมีความสุขความจเจริญเขาก็จะใช้คำว่าเตแต่เวลาพระสวดที่วัดอยากจะสวดให้ตัวเองก็เมนัตถิเมสละนังอันยังแปลว่าเราจะไม่มีสณะอันอื่นเราจะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลนะนก็ต้องใช้ว่าเมเพราะเราพูดเราพูดถึงตัวเราเองแต่ถ้าเราสอนโยมก็สอนนัตถิเตสละนังอันยังแปลว่า พวกเธออย่าไปมีสาระอย่างอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเป็นเรื่องหลักของภาษาของไวยากรณ์ไนดะ้แต่หลักของการสวดมนต์นี้อยู่ที่การทำใจให้สงบทำใจให้มีสตินั่นจะสวดด้วยเมยด้วยเตก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้ใจเราอย่าไปคิดกันแล้วกันคำถามจากคุณเบฟรีค่ะเวลาทำบุญทำทาน ผมอธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าขอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อย่างนี้เรียกว่าทําบุญโดยหวังผลตอบแทนไหมครับขอไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้ทรัพย์ก็ต้องก็ต้องทําบุญนั่งสมาธิไม่ได้ทรัพย์หรอกถ้าอยากจะได้ทรัพย์ต้องทําบุญเอาเงินที่เรามีนี้ไปแจกไปจ่ายไปทําบุญแล้วเงินนี้ก็จะอยู่ในธนาคารบุญพอชาติหน้ากลับมาก็จะร่ำรวยลันหนึ่ง บุญแต่ละอย่างมันให้ผลไม่เหมือนกันถ้านั่งสมาธิก็จะได้ไปเกิดในพรหมวโลกไม่ต้องใช้เงินเอแต่ละกรรมแล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็จะยากจนเพราะไม่มีเงินไม่ได้ทําบุญเก็บไว้กลับมาก็จะไม่มีเงินดอเราอยู่อันอันนิสงของของการทําบุญแต่ละอย่างไม่เหมือนกันคคําาถมมหมด่ะเวลาก็หมดพอดีเลยวันนี้ อ, อวันนี้เหนื่อยนะคําถามเยอะแยะเลย